ในการเสียงธรรมต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องพระริยาบุคคลจากผลงานเขียนของอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ผู้อ่านได้เข้าใจและทราบซึ้งในคุณค่าของพระรัตนาตรายัยและเข้าใจดีถึงชีวิตของพระรยาบุคคลดีพอสมควรดังที่อาจารย์พรได้กล่าวไว้ในคํานําตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้มองเห็นมานานแล้วว่าท่านักศึกษาทั้งหลายได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตของภรยาบุคคลจนเข้าใจแจ่มแจ้งจริงๆแล้วท่านเหล่านี้ก็จะได้แนวทางในการพัฒนาสังคมทุกด้านพร้อมกับตัวเองก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นด้วยข้าพเจ้ามองไม่เห็นว่าจะมีแนวทางของการดําเนินชีวิต หรือแนวทางของการดำเนินงานอะไรที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าการเจริญตามรอยพระรยะเจ้าทั้งหลายด้วยเหตุนี้จึงได้พยายามเขียนเรื่องนี้ออกมาเท่าที่สติปัญญาของข้าพเจ้าจะพึงอำนวยให้พรรัตนาสุวรรณเรื่องพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลในพุทธศาสนามีอยู่สี่ประเภท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 ก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ตลอดไปและจิตใจก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงความว่างหรือความเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงสังโยชน์สิบอย่างก็คือส ก, กายะทิฐิวิจิกิจฉาศีลพตาปรามาตรกามราคะปฏิคะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชา พระโสดาบันละสังโยชน์ได้ขาดจากสันดานสามอย่างคือส ก, กาญาทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตะประาปรมาตหรือพูดอีกในหนึ่งถ้าหากคนใดสามารถตัดสังโยชน์สามอย่างนี้ได้ขาดคนนั้นก็เป็นพระโสดาบันและคำว่าตัดขาดได้ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงตัดได้ชั่วคราวแต่หมายถึงตัดได้เด็ดขาดตลอดกาล ในสันดานคือในจิตใจส่วนลึกไม่มีกิเลสเหล่านี้เหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งถ้าเปรียบเหมือนน้ำในขวดที่มีตะกรอนนอนอยู่ก้นขวดการตัดกิเลสในสันดานได้อย่างเด็ดขาดนานก็เปรียบเหมือนในก้นขวดไม่มีตะกรอนเหลืออยู่เลยจะเขย่าวขวดอย่างไรก็ไม่อาจจะทำให้น้ำขุ่นขึ้นมาได้ พระโสดาบันตามศัพท์แปลว่าผู้แรกถึงกระแสคำนี้มาจากคําว่าโสดะและอาปันนะต่อกันโสดะแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าแรกถึงเพราะฉะนั้นคําว่าพระโสดาบันจึงแปลว่าผู้แรกถึงกระแสซึ่งกระแสในที่นี้หมายถึงกระแสนิพพานกระแสนิพพานก็คือความสงบอันประณีต หรือความว่างความเป็นอิสระโดยปกติคำว่าโสตะในภาษาธรรมดาก็แปลว่ากระแสน้ำพระพุทธเจ้ามักจะทรงเรียกตันหาว่าเป็นกระแสอย่างหนึ่งโดยทรงใช้คำว่าตันหาโสตะแปลว่ากระแสตันหาและอีกอย่างหนึ่งโสตะหมายถึงกระแสนิพพานซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ ผู้ที่ตกอยู่ในกระแสของตันหาก็เปรียบเหมือนคนที่ตกอยู่ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวขอให้นึกถึงสวาที่ลอยไปตามกระแสน้ำคนที่ตกอยู่ในอำนาจของตันหาก็จะมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับสวาซึ่งจะลอยไปทางไหนก็สุดแล้วแต่กระแสน้ำจะพัดไปส่วนคนที่บรรลุถึงกระแสนิพพาน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 ใจของผู้ที่เข้าถึงก็จะรู้สึกสงบแจ่มใสเบิกบานมากและความสงบความแจ่มใสที่ว่านี้จะไม่มีวันเสื่อมด้วยเพราะเหตุนี้พื้นจิตใจข้างในของพระโสดาบานันจึงได้สงบและเยือกเย็นอยู่เสมอแจ่มใสยอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อจิตเข้าถึงภาวะอันนี้แล้วก็จะเกิดความรู้จากภายใน ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสจะสามารถเข้าใจถึงเรื่องชีวิตต่างๆโดยไม่ยากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระเสยขะจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้พระเสยขะจักรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทางเทวโลกพระเสยขะจักรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมอันตรถาคตแสดงไว้ดีแล้ว เหมือนนายมาลาการรู้จักเลือกสรรดอกไม้ฉะนั้นพระเสขะในที่นี้หมายถึงพระรยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่นับถึงพระรหันซึ่งเรียกว่าอาเสขะซึ่งแปลว่าจบการศึกษาแล้วไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปแล้วส่วนพระเสขานั้นแปลว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ขอให้สังเกตว่า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 ความรู้แจ้งที่ออกมาจากภายในนี้เป็นความรู้ที่ประเสริฐสูงสุดและจะเกิดขึ้นโดยไม่ยากถ้าหากใจตกถึงกระแสนิพพานได้กล่าวมาแล้วว่าพระโสดาบันละสังโยชนย์ได้สามคือสกกายาทิทิวิจิกิจฉาและศีลพัตตาภรามาตคําว่าสกกายาทิทิแปลว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตน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 เกี่ยวกับเรื่องตัวเองอีกต่อไปเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านเข้าใจเรื่องนี้ง่ายขึ้นจะขอพูดถึงตัวอย่างของการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัว ต, วตนเสียก่อนคนทั้งโลกรู้แต่เพียงว่าคนเราเกิดจากพ่อแม่เกิดจากธรรมชาติและได้เมื่อศึกษาในทางชีววิทยาศึกษาในทางเคมีและฟิสิกส์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 เพราะวิญญาณได้แสดงตัวข้างมันให้เรารู้อยู่ตลอดเวลานอกกเสียจากว่าเราจะเข้าใจผิดเราจึงไม่รู้ว่าอันไหนเป็นปรากฏการณ์ของวิญญาณอันไหนไม่ใช่พระโสดาบันรู้ดีว่าตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิด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 ไม่ใช่พูดเอาเองพระพเจ้าจึงขออ้างหลักฐานมาให้ท่านทราบดังนี้ในคำพีสังยุตติกายมห ah าวัคทัตไตรปิฎกเล่มที่สิบเก้าหน้าสี่ร้อยสี่สิบแปดพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระโสดาบันย่อมมีคุณสมบัติห้าอย่างกล่าวคือหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้า สองเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระธรรมสามเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพระริยะสงฆ์ไม่ใช่หมายถึงสงฆ์ที่เป็นผูุ้ชนและสงฆ์ในคำนี้ไม่ใช่หมายเฉพาะพระเท่านั้นแต่หากหมายถึงคารวะ ด, ด้วยคือใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา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 เมื่อร่างกายนี้ตายแล้วก็มักเข้าใจว่าชีวิตก็เป็นอั น, นสูญสิ้นอุตุชนมองไม่เห็นว่าชีวิตหลังจากตายจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรครั้นแล้วก็มีความกลัวตายเพราะมีความเข้าใจผิดในเรื่องตัวตนดังที่กล่าวมาอันหนึง่งขอได้โปรดทำความเข้าใจให้ดีว่าผู้ที่จะปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้จริงๆนั้น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 ผู้ทูชนทั้งหลายไม่รู้ว่าในขณะที่คนเราตายนั้นมันก็เหมือนกับงูลอกคราบและงูทั้งหลายมันไม่อารายต่อคราบที่มันลอกออกไปแล้วและมันก็ไม่กลัวต่อการลอกคราบด้วยเมื่อถึงเวลามันก็ทำการลอกคราบแต่คนเราซึ่งฉลาดยิ่งกว่า ง, งูหลายเท่าเมื่อรู้ว่าจะตายก็กลัวมากทั้งนี้ก็เพราะไม่รู้ว่า การตายก็เหมือนกับงูลอกคราบคือถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปแล้วมันก็มีร่างกายใหม่เกิดขึ้นมาทันทีซึ่งร่างกายที่เกิดใหม่นี้จะต้องดีกว่าร่างกายเก่าเสมอถ้าหากเราทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วอันหนึ่งคนโดยมากกลัวจนกลัวลำบากกลัวเจ็บป่วยและยังมีความกลัวอย่างอื่นอีกหลายอย่าง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 เราได้เข้าถึงคุณธรรมจริงหรือไม่เพราะถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วเราจะไม่กลัวจนไม่กลัวลาบากไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะเหตุการณ์ที่ว่านี้แม้หากจะเกิดขึ้นก็ชั่วคราวไม่ใช่ตลอดกาลและในเมื่อเราต้องประสบกับความยากจนความลาบากความทุกข์ยากหรือความเจ็บป่วยใดๆก็ตาม ถ้าหากเราสามารถทำใจให้สบายได้อดทนได้ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าอีกไม่ช้ามันก็จะผ่านไปถ้าทำใจได้อย่างนี้เหตุการณ์ที่แลดูเสมือนหนึ่งเป็นโชคร้ายหรือเคราะร้ายนั้นก็จะกลับกลายเป็นโชคดีเคราะหดีเพราะเหตุการณ์ที่ว่านั้นมันจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้น คุณธรรมเพิ่มพูนยิ่งขึ้นขอได้โปรดจำไว้ให้ดีว่าพระโสดาบันย่อมมีอริยทรัพย์เจ็ดประการเป็นคุณสมบัติประจำตัวอยู่เสมอกล่าวคือศรัทธาศีลหิริโอตตะสุตะจาคะปัญญาเพราะเหตุที่ท่านมีทรัพย์ภายในซึ่งเป็นสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนไฟไหม้ไม่ได้ ขโมยมาลักเอาไปไม่ได้แม้ตายแล้วก็ยังติดตามไปได้อีกและทรัพย์ภายในนี่แหละคือที่มาของทรัพย์ภายนอกทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่กลัวจนไม่กลัวลำบากไม่กลัวต่ออะไรทั้งสิน้นส่วนปูทุชนไม่เข้าใจเรื่องชีวิตดังที่กล่าวมานี้เช่นถ้าหากจะพูดถึงปัญหาว่าทำอย่างไรเราจึงจะมั่งมี ทำอย่างไรเราจึงจะมีความเป็นอยู่สะดวกสบายผู้ทุชนโดยทั่วไปจะไม่นึกถึงเรื่องอริยรัพยเจ็ดประการนี้เลยเพราะเขามองไม่เห็นว่าคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรเขามองเห็นแต่ว่าคนเราจะร่ำรวยก็ต่อเมื่อต้องทำงานหาเงินโดยวิธีนันวิธีนี้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 ส่วนพระอริยะบุคคลนั้นท่านรู้ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือท่านรู้ว่าผลไม้แต่ละชนิดย่อมเกิดมาจากต้นของมันและท่านก็พยายามปลูกต้นไม้ทุกชนิดที่ท่านต้องการลงไว้ในสวนของท่านและในเมื่อผลไม้ต่างๆที่ได้ปลูกเอาไว้นั้นจเจริญ ง, งอกงามดีแล้วท่านก็จะได้กินผลไม้นั้นตลอดไป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 ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาซึ่งผลใดๆผลนั้นๆนย่อมได้ด้วยบุญที่สะสมเอาไว้เช่นความเป็นผู้มีผิวงามมีเสียงไพเราะมีสวดทรงงามรูปร่างงามมีความเป็นใหญ่การมีบริวารสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดย่อมได้ด้วยบุญที่สะสมเอาไว้ เท่าที่บรรยายมาโดยสังเขปนี้ท่านพอจะมองเห็นว่าที่ว่าทศดาบานเป็นผู้ที่ละความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองได้หรือพูดอีกนายหนึ่งคือเข้าใจเรื่องตัวเองอย่างถูกต้องนั้นมีความหมายลึกซึ้งเพียงไรและขอให้เข้าใจว่าเท่าที่พูดมานี้ยังไม่หมดยังมีรายละเอียดอีกมากมาย แต่เห็นว่าเรื่องจะยาวเกินไปจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนพระอริยะบุคคลพระโสดาบันตอนที่สอง เขาไปจะได้ ก, กล่าวมาแล้วว่าลักษณะที่สําคัญของพระโสราบันมีอยู่สมอย่างคือ 1. เป็นผู้ที่ละส ก, กายทิฏฐิได้ 2. เป็นผู้ที่ละวิจิกิจฉาได้ 3. เป็นผู้ที่ละศีลพตัตปรามาตได้เรื่องสกกายทิฏฐิได้ที่บายมาแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ใครที่จะขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย ก่อนอื่นจะต้องทําความเข้าใจให้ดีว่าคําว่าละศั ก, กายญาติฐิในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าละความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนได้ทั้งหมดความจริงสิ่งที่พระโสดาบันละได้จริงๆละได้อย่างเด็ดขาดนั้นคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนคือท่านเห็นแจ้งแทงตลอดแล้วว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา ตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีมีแต่ตัวตนที่เป็นวิบากซึ่งตัวตนอันนี้แม้จะย่างยืนสืบต่ออยู่ได้เสมอไม่สิ้นสุดคล้ายกับเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้นั้นความจริงตัวตนที่เป็นวิบากนี้ก็ดับได้สูญสิ้นได้เปลี่ยนแปลงได้เพราะมันเป็นสังคตตาธรรมคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่ง ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองท่านเข้าใจาในเรื่องนี้แจ่มแจ้งมากจนหมดข้อสงสัยใดๆและก็รู้แจ้งด้วยว่าเพราะอาศัยการรู้แจ้งเช่นนี้แหละจึงได้พบกับความสงบอันประยีดซึ่งเป็นความสงบในขั้นโลกุตระและในเมื่อเข้าถึงความสงบอันนี้แล้วก็จะรู้แจ้งโดยตัวของตัวเองว่ากิเลสทั้งหลายสูญสิ้นได้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 ถ้าหากใจยังไม่ได้พบกับความสงบอันประนีตก็แปลว่ายัางละสักกายทิฏฐิไม่ได้และจะต้องจำไว้ให้ดีว่าความสงบอันประนีตนานเป็นความสงบที่อยู่ตัวคงที่ไม่มีเสื่อมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดๆความสงบอันนี้ก็จะมีอยู่เสมอเพราะความสงบอันนี้เป็นขั้นโล ก, กุตระและจะต้องจำไว้อีกว่า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 เหตุการณ์ทุกอย่างก็กระทบกระเทือนจิตใจไม่ได้และข้อที่ว่าท่านอชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้นั้นในสายตาของปุ้โชนก็จะเห็นว่าพระริยะบุคคลก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันนี่แปลว่าถึงแม้จะอยู่ใกล้พระริยะก็ไม่รู้จักพระริยะขอได้โปรดเข้าใจว่า ตามความรู้สึกที่แท้จริงของพระอริยนั้นท่านรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ร่างกายร่างกายเมื่อเกิดมาจะมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นของธรรมดาแต่นั่นมันไม่ใช่ตัวเราหรือของของเราเพราะท่านรู้สึกอยู่เสมอว่าแม้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย แต่ชั้นก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายซึ่งความรู้สึกอันนี้ปุตุชนเข้าไม่ถึงและอีกอย่างหนึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั้นพระรยบุคคลทุกองค์ท่านมองเห็นว่ามันเป็นบทฝึนหัดซึ่งจาเป็นจะต้องมีแต่บัดนี้ท่านก็เอาชนะมันได้แล้วและตัวตนที่เป็นวิบากซึ่งท่านรู้ดีว่า เมื่อยังต้องการที่จะมีตัวตนตัวตนอันนี้ก็จะมีอยู่ตลอดไปคล้ายกับว่าเป็นตัวตนที่ยั่งยืนนั้นท่านก็รู้ว่าแม้ตัวตนอันนี้ก็เป็นอนัตตาและด้วยการรู้แจ้งอนัตตานี่แหละจึงทำให้พ้นทุกข์ทำให้บรรลุถึงนิพพานท่านเห็นแล้วหรือยังว่าคนที่ละส ก, กายทิฏฐิได้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 วิจิกิจฉาแปลว่าความสงสัยความไม่แน่ใจความลังเลในคำพีได้แบ่งไว้แปดอย่างคือหนึ่งสงสัยในพุทธคุณสองสงสัยในธรรมคุณ 3. สงสัยในสังฆ ค, คุณ 4. สงสัยในคุณค่าของศีลสมาธิปัญญา 5. สงสัยในอดีต 6. สงสัยในอนาคต เสงสัยในปัจจุบัน8สงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในพุทธคุณหมายความว่าไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าจะมีคุณสมบัติจริงตามที่กล่าวไว้ในบทพุทธคุณเช่นที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอราหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ อย่างนี้เป็นต้นผู้ที่สงสัยในเรื่องพุทธคุณก็คือไม่เชื่อว่าคนเราจะละกิเลสได้จริงไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะส่งรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงได้จากจิตใจของพระองค์เองไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะทรงมีหูทิพตาทิปพประลึกชาติได้ทรงกระทาอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้ได้ ส่วนพระโสดาบันท่านไม่สงสัยเลยท่านแน่ใจว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติเหมือนอย่างที่กล่าวไว้ในพุทธคุณจริงๆและในเรื่องธรรมคุณและสังฆคุณท่านก็มีความเชื่อมีความแน่ใจตามนี้ทุกอย่างข้อที่จะพึงสังเกตก็คือถ้าหากเรามีความแน่ใจในเรื่องคุณของพระรัตนตรายจริงๆแล้ว หรือพูดอีกในหนึ่งได้เข้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆแล้วบทสวดมนต์ทุกข้อในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นไม่ว่าเราจะนึกถึงบทไหนก็จะมีความทราบซึ้งทุกบทแม้จะนึกบ่อยๆซ้ำซากอย่างไรก็ไม่มีเบื่อซึ่งผิดกับปูทุชนไม่อยากจะสวดมนต์มีความขี้เกียจเพราะมองไม่เห็นประโยชน์ ถ้ายิ่งจะต้องให้นึกถึงบ่อยๆก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนี่คือลักษณะของคนที่ยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรยัยอันหนึ่งเนื่องจากพระริยะบุคคลทุกองคมีความทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรยัยเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะพูดอะไรหรือคิดอะไรท่านจะต้องนึกเอาพระรัตนตรัยเป็นหลักไว้เสมอ ซึ่งผิดกับผู้ทุชนเขาจะนึกถึงก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์มาเตือนให้ต้องนึกแต่โดยปกติธรรมดาแล้วเขาจะไม่ค่อยนึกถึงเลยเพราะเขามองไม่เห็นประโยชน์ว่านึกขึ้นมาแล้วจะได้อะไรบ้างและก็ขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าพระรยะบุคคลในขณะที่ท่านนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรม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 เรารู้แจ้งจากตัวของเราเองเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลทุกองค์จึงไม่สงสัยในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณอันหนึง่งจากการที่ท่านมีความเข้าใจทราบซึ้งในคุณของรารตนาไตรและทราบซึ้งในคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้น ท่านจริงไม่มีความลังเลในอันที่จะตัดสินใจเลือกปฏิบัติแต่ในทางดีเสมอไม่เหมือนกับปุถุชนซึ่งในเมื่อแน่ใจว่าวิธีนี้หรือทำอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ได้เงินได้อำนาจได้สิ่งที่ต้องการแล้วแม้ว่าจะเป็นการผิดศีลธรรมเขาก็มักจะทำคือเลือกเอาทางที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ ไม่เลือกเอาทางศีลธรรมแต่สำหรับพรริยาบุคคลท่านเลือกเอาทางศีลธรรมทางที่ถูกต้องทางที่ไม่ทำให้คนอื่นทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนเสมอและการตัดสินใจของท่านในเรื่องนี้ไม่มีการลังเลไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องคิดมากพอรู้ว่าอันนี้ผิดศีลธรรมท่านก็จะปฏิเสธทันที อำนาจเงินเรื่องอำนาจของตำแหน่งหน้าที่ไม่อาจที่จะทําให้จิตใจของท่านเกิดความลังเลแม้แต่เล็กน้อยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นท่านจะตัดสินใจเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นพระรยะบุคคลเราจะไปดูแต่ในแง่ว่าท่านปล่อยวางในเรื่องตัวตนได้หรือเมื่อเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่ปราดเปรื่องในเรื่องหลักธรรมสามารถอธิบายธรรมได้ลึกซึ้งเราก็บอกว่าท่านเป็นภริยาบุคคลเราจะมาตัดสินการเป็นภริยาบุคคลแต่เพียงในแง่นี้ไม่ได้เราจะต้องพิจารณาดูในแง่อื่นๆอีกด้วยและในธํานองเดียวกันเราอาจจะเห็นพระบางองค์ปฏิบัติในเรื่องศีลได้บริสุทธิ์มาก และเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่เอาอะไรเลยแล้วก็จะบอกว่าท่านเป็นพาะรยะบุคคลเพียงเท่านี้ไม่ได้เพราะวางองค์แม้จะเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์แต่ถ้าหากปัญญาไม่หลักแหลมลึกซึ้งไม่ค่อยจะรู้อะไรทั้งที่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้อย่างยิ่งแต่กลับไม่รู้ก็แสดงให้เห็นว่า ท่านไม่ใช่เป็นพระรยาบุคคลจริงๆเพราะพระรยะจริงๆย่อมจะต้องมีความรู้แจ้งเกิดจากภายในอันหนึ่งขอให้พิจารณาข้อต่อไปที่ว่าพระโสดาบันไม่สงสัยในเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่สงสัยในเรื่องปฏิจจสมุปบาทจากหัวข้อเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงว่าพระรยะบุคคล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 เราได้เอาชนะความทุกข์ได้แล้วเป็นส่วนมากและทุกอันใดที่เราเอาชนะได้แล้วทุกอันนั้นก็จะไม่มีอีกต่อไปส่วนปู่ทุชนไม่ค่อยจะแน่ใจว่าตัวเองเคยเกิดมาตายแล้วจะต้องเกิดอีกและก็ไม่รู้ว่าการที่เราต้องเกิดมาเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนื่องมาจากสาเหตุอะไรบ้าง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 การไม่ดูถูกการรู้จักที่สูงที่ต่ำการทำตัวให้เข้ากันได้กับบุคคลอื่นในทางที่ถูกคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นของประจำตัวไม่ต้องหัดไม่ต้องอบรมแต่จะเกิดขึ้นมาเองในเมื่อจิตใจได้เข้าถึงความสงบอันประนีตเพราะละศกายาทิฏฐิได้และอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากพระโสดาบันเป็นผู้ธีละศีลพัตะปรามาตได้เพราะฉะนั้นการทําอะไรอย่างงมงายโดยไม่เข้าใจเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่มีไม่ได้สําหรับพระริยะบุคคลแปลว่าพระริยะบุคคลทุกองค์จะไม่ติดหรือหลงอยู่ในความงม ง, งายจะไม่ทําอะไรโดยไม่มีเหตุผลอิทธิพลของประเพณี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 ผู้ทีล่ละศีลพิธปรามาตยได้ยหมายถึงการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆที่ไม่ถูกต้องอันที่จริงคําว่าศีลพิธีปรามาตยตามศัพท์แปลว่าความยึดมั่นในศีลและวัดศีลหมายถึงข้อบัญญัติหรือข้อห้ามทางศาสนาวัดหมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณี หรือสิ่งที่ทำกันเป็นกิจวัตรประจาวันและคําว่าศีลวัดในที่นี้ตามความหมายในคำทีหมายถึงศีลวัดของลัทธิาศาสนาอื่นตัวอย่างเช่นการบาเพ็ญทุกขกิริยาในแบบต่างๆเพื่อหวังความหลุดพ้นหรือความบริสุทธิ์พระอริยบุคคลที่ว่าะละศีลพระตปรมาสได้หมายความว่า ถ้าได้รู้แน่นอนแล้วว่าทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นมีอยู่ทางเดียวคือมรรคมีองแปดเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอเสวมัรโคนัถันโยทัศนาศาวิสุทธิยาทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะคําว่าทางในที่นี้หมายถึงมรรคมีองแปด เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติใดๆที่ไม่อยู่ในหลักของมรรคมีองคปดถ้าผู้ใดไปยึดถือปฏิบัติเข้าก็แปลว่ามีศีลพัตตะพรามาตนี่คือความหมายที่แท้จริงตามที่กล่าวไว้ในคำพีการที่ขรพรเจ้าขยายความไปถึงเรื่องอื่นๆก็เพราะเหตุที่ว่าพระริยะบุคคลทุกองค์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 ตามความพอใจส่วนพระอริยะบุคคลท่านเห็นแจ้งตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทุปประการและอีกประการหนึ่งการปฏิบัติใดๆถ้าหากทำไปด้วยศรัทธาอย่างเดียวโดยไม่เข้าใจเหตุผลแล้วศรัทธานั้นแม้จะมีมากเสียเพียงไรก็ทำให้ตัดกิเลสในสันดานขาดไม่ได้อย่างดีก็สงบเพียงชั่วระยะหนึ่ง และยิ่งกว่านั้นท่านมองเห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างศีลสมาธิปัญญาซึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้การปฏิบัติทุกอย่างท่านทำไปยังเข้าใจเหตุผลชัดเจนจริงๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอัสสัทธโธอาตันยูจะสันทิดเฉโทจยโยนโรหะตาวกาโศวันตาโศ สวอุตมะโปริโสคนใดไม่เชื่อคนอื่นนอกจากตัวเองเป็นผู้รู้แจ้งนิพานเป็นผู้ตัดที่ต่อคือวัตตะได้เป็นผู้ทำลายโอกาสที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นผู้มีความต้องการสมบูรณ์แล้วไม่ต้องการสิ่งใดอีกต่อไปบุคคลนี่แลได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่สูงสุดขอให้สังเกตว่า ตามพุทธพจน์ที่อ้างมานี้พระพุทธเจ้าหมายถึงพระริยาบุคคลขั้นสูงสุดคือพระราหารันจากหลักอันนี้ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวว่าพระริยาบุคคลทุกองค์เป็นผู้ที่ถ้าจะเชื่ออะไรหรือปฏิบัติในสิ่งไหนจะต้องเข้าใจเหตุผลชัดเจนและมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติไม่มีการฝืนใจ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 ซึ่งไม่ได้ค้นคว้าให้เข้าใจหลักศาสนาอย่างถูกต้องแต่เข้าใจเราเองตามที่สังเกตดูจากความเชื่อถือและความประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจึงมักเห็นแต่ความงมงายเลยไม่สนใจต่อศาสนาเท่าที่ควรและมักคิดเสมอว่าศาสนาไม่สู้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่าไรนัก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 หรือไม่ว่าจะหันไปในทางอาชีพไหนจะรู้สึกว่ามันขัดกับหลักในทางศาสนาเสียทั้งหมดเช่นถ้าหากคนทั้งหลายจะพากันถือศีลไม่ต้องมากเพียงแค่ศีลห้าอาชีพหลายอย่างก็ต้องเลิกเพราะเป็นการผิดศีลความรู้สึกในลักษณะอย่างนี้ฝังจิตใจพวกนักศึกษาเป็นอันมากเลยไม่อยากจะเข้ามายุ่งกับทางศาสนา ฝ่ายรัฐบาลถึงแม้จะถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญที่จะต้องทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแต่ในเมื่อเปรียบเทียบกับการที่รัฐบาลลงทุนเพื่อการพัฒนาในด้านอื่นกับที่รัฐบาลบํารุงในทางศาสนาแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดว่าผิดกันมากมายทั้งนี้ก็เพราะการพัฒนาในด้านอื่นนั้นมองเห็นได้ชัดว่า จำเป็นและมีประโยชน์จริงๆเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเป็นเอกราชส่วนทางาศาสนาที่ไม่ ย, ยอมลงทุนอย่างมากมายก็เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าคนทั้งหลายจะพากันเชื่อถือหลักาศาสนาและเคร่งครัดต่อาศาสนาจริงๆแล้วบ้านเมืองไม่เจริญแน่ซึ่งความเข้าใจอันนี้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 จะเข้ามาช่วยเหลือโลกได้อย่างไรปัญหาในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะได้กล่าวในตอนต่อไปตอนที่สาม ในพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้า488พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับอนาถาวินธิกะเศรษฐีว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่เป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุป บ, บาทด้วยปัญญานั้นเมื่อปราถนาที่จะพยากรณ์ตัวเองก็สามารถที่จะพยากรณ์ตัวเองได้ด้วยตัวเองว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดสัตว์เดรชานสิ้นแล้วมีวิสัยแห่งเปรต ส, สิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงกระแสนิพพานแล้วเป็นผู้มีอันไม่ตกตำ่ำต่อไปอีกเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในภายภาคหน้าข้อความที่กล่าวมานี้ขอได้โปรดพิจารณาให้ละเอียดจดจาข้อความทุกประโยคไว้ให้แม่น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 สเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระสงฆ์สเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์โดยสันดานองค์ของพระโสดาบันหรือคุณสมบัติของพระโสดาบันสี่ประการนี้ได้เคยที่บายมาแล้วและขอได้โปรดสังเกตว่าโดยทั่วไปพระพุทธเจ้าจะตัดว่าองค์ของพระโสดาบันมีห้าแต่ในที่นี้ตัดว่ามีสี่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 ตัวท่านเองพ้นจากอบายภูมิแล้วอย่างเด็ดขาดข้าพเจ้าต้องการที่จะขยายความของพุทธพจน์บทนี้ให้ละเอียดเพราะจากหลักอันนี้จะทำให้เรามองเห็นได้ชัดว่าถ้าหากในปัจจุบันนี้จะพึงมีพระริยาบุคคลเกิดขึ้นจริงๆแม้เพียงองค์เดียวและไม่ต้องถึงขั้นพระอรหรันเพียงขั้นพระโสดาบันเท่านั้น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 และอีกประการหนึ่งจะต้องรู้สึกว่าจิตใจของตัวเองสบายแจย่มใสเบิกบานอยู่เสมอเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมแม้จะเลวร้ายสักเพียงไรก็ทำให้ตัวเองเกิดความทุกข์ไม่ได้คนที่มีคุณลักษณะอย่างนี้ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงเพราะคนประเภทนี้เป็นบุคคลที่ไว้ใจได้จริงๆ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 บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริงเพราะเขาจะใช้ความรู้ความสามารถใช้เงินใช้อิทธิพลทุกอย่างเท่าที่มีอยู่เพื่อสร้างสารรค์ความเจริญให้แก่สังคมโดยแท้บุคคลประเภทนี้จะไม่มีการหวงอำนาจไม่มีการหวงตำแหน่งและจะไม่เป็นอะไรอะไร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 ถึงแม้จะไม่ถึงขั้นอริยะแต่ก็มีลักษณะใกล้เคียงกับภูมิธรรมของพระริยะแล้วเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนประเภทนี้เป็นที่ต้องการของสังคมอย่างยิ่ยงเพียงไรเพราะเราเห็นได้ชัดว่าเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างมากมายจริงๆปัญหาที่คนส่วนมากมักจะวิตกกันในเรื่องนี้ก็คือ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 และจะไม่ยอมทำผิดใดๆเลยบุคคลประเภทนี้ไม่อาจจะอยู่ในโลกได้ทำงานใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะเท่ากับเอาพระมาทำงานอย่างคารวะแล้วท่านจะทำได้อย่างไรเพราะคิดเห็นเช่นนี้จึงมองไม่เห็นว่าพระริยะบุคคลเป็นคนที่มีประโยชน์แก่โลกอย่างกว้างขวางและอีกประการหนึ่ง เท่าที่เรารู้บุคคลที่ใหญ่โตมีอานาจมากมีเงินมากวิถีชีวิตของบุคคลประเภทนี้เท่าที่เขาดาเนินอยู่เกือบจะพูดได้ว่ารักษาศีลไว้ไม่ได้เลยเพราะทั้งมัวถือศีลอยู่จะทำอะไรไม่ได้จะอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นไม่ได้เพราะไม่มีใครในโลกที่สามารถจะทำตัวได้บริสุทธิ์ขนาดนั้น การดำรงชีวิตยอยู่ในทางโลกจะต้องมีการละเมิดผิดศีลกันบ้างไม่มากก็น้อยไม่เช่นนั้นอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าจะต้องถือศีลเคร่งครัดถึงขนาดนี้ก็จะต้องไปบวชเป็นพระเท่านั้นจึงจะอยู่ได้อันนี้แหละคือข้อหนักใจและเป็นมุมมืดที่ทำให้พวกนักศึกษาทั้งหลายมองไม่เห็นว่าเราจะไปขอให้พระอริยะ ท่านมาพัฒนาสังคมได้อย่างไรหรือมาทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างไรข้าพเจ้าใคร่ที่จะทำความเข้าใจให้เป็นที่แจ่มแจ้งอีกสักครั้งหนึ่งว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้สมมติว่าจะมีพระพุทธเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่พระองค์ก็ไม่สามารถทำให้คนทั้งประเทศถือศีลได้อย่างบริสุทธิ์ทำให้คนทั้งหลายละเว้นจากความชั่วได้ทุกอย่าง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 ในเมื่อท่านจะสอนใครท่านก็จะเลือกสอนเฉพาะแต่คนที่สามารถจะเชื่อฟังได้ง่ายประพฤติตัวเป็นคนดีได้ง่ายก่อนในเมื่อบุคคลประเภทนี้มีมากขึ้นแล้วท่านก็สามารถจะขอร้องให้บุคคลประเภทนี้ช่วยกันทํางานเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นๆที่เปรียบเหมือนนาไม่ดีโดยวิธีต่างๆเช่นในกลุ่มคนที่ยากจนมากๆ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 จะพร้อมใจกันทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเต็มใจด้วยการเสียสละจริงๆเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมเท่าที่พูดมานี้เข้าใจว่าท่านคงจะพอมองเห็นแล้วว่าทำไมข้าพเจ้าจึงกล้าพูดว่าถ้ามีพระริยาบุคคลเกิดขึ้นจริงๆแม้เพียงองค์เดียวก็สามารถที่จะขจัดสิ่งเลวร้ายต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากสังคมได้อย่างมากมายแต่อย่างไรก็ดีท่านควรจะทราบความจริงอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือถ้าหากเป็นพระรยะบุคคลจริงๆแม้ท่านจะมีการศึกษาน้อยมีประสบการณ์มาน้อยแต่ความเฉลียวฉลาดความสามารถจะอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นอัจฉริยะทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะ พระริยาบุคคลทุกอง์จิตใจของท่านได้เข้าถึงความว่างเข้าถึงความสงบอันประนีตใจเป็นอิสระใจไม่เก่อเกี่ยวไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นการไม่ยากเลยที่ท่านจะดึงเอาความรู้ความสามารถออกมาจากภายในจิตใจส่วนลึกของท่านได้หรือพูดอีกในหนึ่ง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 และการริเริ่มแนอันที่จะสร้างสารรค์ความเจริญก็จะมีอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันสิ้นสงสัยว่าทําไมพระริยะบุคคลนั้นจึงเป็นผู้มีความสามารถในการกลับใจคนอื่นได้อย่างดีเลิศด้วยเหตุนี้ก็พเจ้าจึงกล้าพูดว่าถ้าหากในปัจจุบันจะพึงมีพระรยะบุคคลที่ว่านี้เกิดมาจริงๆ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 วิธีสอนของท่านก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสมกล่าวคือสมมติว่ามีโจรคนหนึ่งร้ายกาจมากฉเฉลียวฉลาดมากด้วยถ้าหากจะไปกลับใจโจรผู้นี้ให้เลิกจากความเป็นโจรได้อย่างเด็ดขาดถ้าทำได้ก็เป็นการดีแน่แต่ถ้าทำไม่ได้ท่านก็จะไปสอนให้เขารู้จักละเวนในบางสิ่งบางอย่างเสียบ้าง เพียงแค่นี้ก็มีประโยชน์มากอยู่แล้วและที่ข้าพเจ้าพูดว่าพระรยาบุคคลมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงนั้นก็เพราะว่าท่านเปรียบเหมือนหมอที่มีความรู้ความสามารถสูงมากโรครายร้ายหลายอย่างซึ่งเมื่อก่อนรักษากันไม่หายแต่มาบัดนี้ท่านรักษาให้หายได้แล้วเช่นวันโรคโรคมะเร็งอย่างนี้เป็นต้น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 คนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆนั้นขอให้สังเกตว่าทุกคนจะมีความรู้สึกแบบนี้กล่าวคือเมื่อเห็นคนอื่นเขาโกงเขากินกันเขาคอรับชั่นกันเขาทาความชั่วกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่สําหรับผู้นั้นจะบอกกับตัวเองว่าเขาจะโกงจะกินก็เรื่องของเขาแต่ชั่นเองไม่ทําแน่ เพราะถ้าหากทุกคนจะพากันโกงพากันกินทั้งหมดไม่มีคนดีๆเหลืออยู่บ้างเลยโลกนี้ก็ต้องพินาศแน่และตัวเราเองก็ยินดีที่จะเป็นฝ่ายอยู่ในจำพวกคนส่วนน้อยที่ไม่โกงไม่กินเพราะการกระทําของเรานี้อย่างน้อยก็เป็นเครื่องทวงไม่ให้โลกนี้พินาศเร็วจนเกินไปและอีกประการหนึ่ง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 บุคคลประเภทนี้สอนไม่ยากเปรียบเหมือนนาที่ดีถ้าเราปลูกข้าวลงในานาประเภทนี้ก่อนคนที่ไม่มีข้าวจะกินเพราะไม่ได้ทำนาหรือไม่มีนาจะทำหรือทำแล้วไม่ได้ผลก็ตามคนเหล่านี้ก็จะไม่อดตายเพราะจะมีข้าวมาแจกจ่ายให้อย่างเหลือเฟือจากนาที่ดีทั้งหลายพระอริยบุคคล แม้เพียงองค์เดียวขอให้เกิดมาในยุคนี้จริงๆเถิดแล้วท่านก็จะพิสูจน์ได้ว่าคำพูดที่พระเจ้าได้กล่าวมานี้เป็นความจริงทุกประการ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 เราก็จะเห็นได้ชัดว่าประเทศชาติของเราต้องเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนก็โดยธรรมดาพระริยะบุคคลแม้ขนาดพระโสดาบันก็ย่อมเป็นผู้มีความสามารถในอันที่จะกลับใจคนให้เป็นคนดีได้ง่ายมากทั้งนี้ก็เพราะพระริยะบุคคลเป็นผู้ที่มีความรู้แจ้งในธรรมจริงๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า พระเสขะจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้พระเสขะจักรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพระเสขะจักรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมที่ตถาคตสแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการผู้ฉลาดรู้จักเลือกสรรดอกไม้เอามาทำเป็นพวงมาลัยขอให้สังเกตคําพูดประโยคสุดท้ายที่ว่า พระเสขะจากรูแจ้งซึ่งบทแห่งธรรมที่ตถาคตแสดงเอาไว้ดีแล้วคาว่าเสขาแปลว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่และในที่นี้หมายถึงเฉพาะพระริยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระนาคามีไม่ได้หมายถึงนักศึกษาทั่วไปส่วนพระระหันเรียกว่าอาเสยขาซึ่งแปลว่าผู้จบการศึกษาแล้ว ขอให้คิดดูว่าขนาดผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นสูงสุดยังเป็นนักศึกษาอยู่แม้จะอยู่ในขั้นต่ำคือขั้นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นผู้ที่รู้แจ้งในคำสอนของพระองค์เปรียบเหมือนนายมาลาการผู้ฉลาดรู้จักเลือกสรรดอกไม้เอามาทำเป็นพวงมาลายัยซึ่งคำพูดประโยคนี้หมายความว่า พระริยะบุคคลไม่เพียงจะรู้แจ้งโดยตัวเองเท่านั้นแต่สามารถที่รู้จักเลือกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาสอนคนทั้งหลายได้อย่างถูกต้องกาลเทศะและสอนอย่างได้ผลด้วยประเด็นนี้แหละคือประเด็นที่สําคัญที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเพราะเหตุไรพระริยะบุคคลถ้าหาเกิดขึ้นในโลกนี้จริงๆแม้เพียงองค์เดียว จึงสามารถที่จะแก้ไขเหตุการณ์อันเลวร้ายต่างๆให้หมดไปได้อย่างมากการสอนสาศาสนาก็เหมือนกับการลงทุนค้าขายคือถ้าหากฉลาดในการลงทุนในไม่ช้าก็จะได้กำไรอย่างมากมายหรือคนที่ฉลาดในการทำนาเมื่อปลูกข้าวในนาที่ดีเสียก่อนก็ย่อมจะได้ข้าวมากโดยเสียเวลาน้อยเปลืองแรงงานน้อย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 โดยอาศัยบุคคลเหล่านี้แหละสิ่งเลวร้ายต่างๆในสังคมก็จะค่อยๆหมดไปโดยลำดับปัญหาที่นักศึกษาส่วนมากข้องใจอยู่เสมอก็คือเขาเคยเห็นแต่ตัวอย่างที่ว่าคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้อย่างแท้จริงนั้นไม่มีใครที่สามารถถือศีลด้อย่างบริสุทธ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 ซึ่งทหารเขาคิดตามข้อเท็จจริงแล้วเขาขจจพบว่าคนทั้งหลายจะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ผิดศีลข้อใดๆเลยพร้อมๆกันไม่ได้เพราะพื้นเดิมของจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นคนบางคนทั้งที่รู้ว่ากลางกระทำอย่างนี้ไม่ดีเป็นบาปแต่เขาก็ทำคนประเภทนี้มีมากและมีอยู่ในที่ทั่วๆไป เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าถ้าหากคนในโลกจะพากันถือศีลอย่างบริสุทธิ์หมดทุกคนโลกก็จะไม่เจริญความวิตกอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่การที่กบฏเจ้ายืนยันว่าพระริยะบุคคลเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงก็เพราะว่าท่านรู้จักกาลเทสะรู้จักความพอดีในอันที่จะสอนคน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 ถึงแม้ว่าครั้งแรกท่านจะไม่สามารถกลับใจบุคคลส่วนใหญ่ได้ก็จริงแต่ท่านก็จะมองเห็นว่าใครบ้างเป็นบุคคลที่พอจะสอนได้แล้วท่านก็จะสอนบุคคลประเภทนี้ก่อนในเมื่อบุคคลที่ใครๆก็ลงความเห็นว่าเป็นคนที่ร้ายกาศยากที่จะสอนได้นั้นเมื่อท่านสามารถกลับใจเขาได้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 ข้าพเจ้าจึงกล้ายืนยันว่าถ้าหากจะมีพระรยาบุคคลเกิดขึ้นจริงๆแม้เพียงองค์เดียวก็สามารถที่จะขจัดความเลวร้ายต่างๆในสังคมให้หมดไปได้ปัจจุบันนี้เรามีวัดมีพระอยู่ทั่วประเทศความเลวร้ายต่างๆไม่น่าจะเกิดในสังคมแต่ก็เกิดทั้งนี้ก็เพราะเรามีแต่ปริมาณ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 และมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจคนทั้งหลายให้อยู่ในศีลธรรมได้ไม่น้อยเลยทั้งที่เราทั้งหลายก็ยอมรับว่าท่านยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นพระริยะก็ยังทำให้เราทั้งหลายเคารพนับถือได้อย่างสนิทใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านด้วยความศรัทธาขนาดเป็นปุถุชนยังมีผลถึงขนาดนี้ ถ้าท่านเป็นพระริยะคนทั้งหลายจะเคารพนับถือท่านมากขึ้นอีกสักเท่าไหร่และความเลวร้ายต่างๆจะค่อยๆหมดไปจากสังคมได้จริงหรือไม่ ตอนที่หพระโสดาบันปกครองบ้านเมืองได้หรือไม่เมื่อวันที่4มกราคม2517คุณหมอพักดีลิ้มสุวรรณได้เขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าฉบับหนึ่งเพื่อระบายความในใจจากการที่ได้ฟังรายการพบประชาชนซึ่งอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีได้เชิญหม่อมราชวงศ์คืกฤทิปราโมทให้มาพูดด้วย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 พระรยาบุคคลหรือคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อพระนิพพานที่ยังคลองเรือนอยู่จะเล่นการเมืองปกครองประเทศหรือปฏิบัติภารกิจอื่นๆในสังคมได้หรือไม่นี่คือปัญหาที่คุณหมอพักดีลิมสวุวรรณสงสยัยและอยากจะให้ข้าพเจ้าตอบเป็นส่วนตัวแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาของคนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้น ในเมื่อจะตอบก็ควรจะให้รู้กันทั่วไปคนที่ศึกษาธรรมจากตัวหนังสือแต่ไม่ได้ปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาหรือปฏิบัติแต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจหลักธรรมได้อย่างกว้างขวางและรู้จักนำธรรมมาใช้ให้ถูกต้องการพิจารณาธรรมตามตัวหนังสือโดยใช้หลักตรรกวิทยา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 หรือเลิกปกครองประเทศทนางวิสาขามหาอุบาสิกาอนาถาบิณฑิกาเศษธีและยังมีภริยะบุคคลอื่นๆอีกมากมายที่เป็นค า, ารวสแต่ก็ยังคงทำงานประกอบอาชีพเช่นทำการค้าขายหรือประกอบกิจกรรมเหมือนเดิมซึ่งแปลว่าเมื่อก่อนเคยประกอบอาชีพอย่างไร เคยทำงานอะไรในสมัยที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แม้เป็นภรรยะบุคคลแล้วก็ยังทำงานอย่างนั้นแต่แน่ละวิธีทำงานและจุดหมายในการทำงานย่อมจะต้องแตกต่างจากเมื่อก่อนเพราะเดี๋ยวนี้จิตใจสะอาดขึ้นมีกิเลสเบาบางมากและเข้าใจเรื่องของชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้น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 ซึ่งแปลว่าผู้แรกบรรลุถึงนิพพานนั้นก็สามารถทํางานในทางโลกได้มากมายปัญหาที่คนส่วนมากสงสัยก็คือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมน้นโดยปกติจะต้องถือศีลเช่นฆ่าสัตว์ด้วยตนเองไม่ได้สั่งให้ผู้อื่นฆ่าก็ไม่ได้จะพูดโกหกเองหรือสั่งให้คนอื่นพูดโกหกก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น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 อาจารย์สัญญาธรรมศักถ้าหากจะมีอะไรผิดพลาดก็เพราะมีประสบการณ์ในด้านการเมืองน้อยและไม่เคยฝ่ฝันที่จะเป็นนักการเมืองมาก่อนถ้าหากจะมีอะไรบกพร่องก็เพราะเหตุดีเท่านั้นเพราะการเมืองมีแล่เหลี่ยมมากคนที่ซื่อไม่รู้จักตลบตะแรงและมักจะคิดว่าคนอื่นก็เป็นคนดีเหมือนตัวข้อบกพร่องในเรื่องนี้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 เรื่องนี้เป็นที่สงสัยของคนในสมัยนั้นมากว่าผู้หญิงคนนี้พระพุทธเจ้าเคยตัดบอกว่าเป็นพระโสดาบันแต่เหตุชยชไนจึงมาประกอบอาชีพอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบปัญหาข้อนี้โดยตัดเป็นคถาว่าปานิมหิเจวะโนนาสะฮเรยยะปานินาวิสังนาพนังวิสมันเวติ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 ซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารชิงราชสมบัติจากพ่อแล้วนำพ่อไปขังไว้ในคุกได้ทรมานพ่อโดวยวิธีต่างๆจนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนในคุกคนที่เคยอ่านประวัติตอนนี้จะทราบได้อย่างดีพระเจ้าพิมพิสารไม่มีความโกรธลูกเลยแม้แต่นิดเดียวยินดีรับการทุกทรมานต่างๆด้วยความเต็มใจ นี่แหละคือน้ำใจที่แท้จริงของพระริยาบุคคลซึ่งในวางครั้งถ้าหากพระองค์จะรับสั่งให้ลงโทษใครตามกฎหมายของบ้านเมืองนั่นก็เป็นพรกะกรรมขเขาเองที่บังคับให้พระองค์ต้องทำอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ดีตามประวัติของพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์รับสั่งให้ฆ่าใครการศึกสงครามก็ไม่มี ถ้ามีใครทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองพวกอมาตะก็จัดการไปตามหน้าที่และถ้ามีใครนำนักโทษเข้ามาเฝ้าเพื่อให้ทรงชี้ขาดในบางกรณีพระองค์ก็รับสั่งให้ปล่อยตัวเช่นเคยมีโจรคนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเป็นพระเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสปะและเคยได้ฌานต่อมาภายหลังอยู่ไม่ได้ต้องศึก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 ไม่สะดุ้งต่ออาวุธต่างๆที่เพชฌฆาตเตรียมจะประหารพวกนี้แปลกใจมากไม่กล้าฆ่าและนำตัวไปเฝ้าพระเจ้าพิมพ์พิสารเมื่อพระองค์ได้ตรัสถามถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็รับสั่งให้ปล่อยตัวไปและต่อมาบุคคลผู้นี้ได้บวชอีกและได้สําเร็จเป็นพระละหันด้วยจากตัวอย่างที่กล่าวมานี้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 ปอให้ผู้อ่านนําไปคิดกันเสียก่อนต่อเมื่อมีใครถามปัญหามาจึงจะตอบและใครที่จะขอฝากข้อคิดไว้อีกสักอย่างหนึ่งว่าบ้านเมืองของเราเวลานี้คนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งสามารถจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ก็สามารถที่จะทําให้ประเทศมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ได้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 หรือกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังถ้าจะกระถาจา์เขียนขึ้นเองอะไรทำนองนี้ถ้าหากไม่มีนิสัยแบบนี้และยินดียอมรับที่จะพิจารณาหลักคำสอนในแงน่อื่นแม้ที่ขัดแย้งกับความเห็นของตนเช่นในกรณีดังเรื่องที่กล่าวมามันไม่น่าจะเป็นไปได้หญิงสาวเป็นพระโสดาบันแต่ไปรักนายพล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 ส่วนอีกประเภทหนึ่งมีลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์แม้ตนเองจะมีบุญบา ร, รมีพอที่จะบรรลุถึงนิพพานได้แต่ก็จะยังไม่ไปจะต้องสร้างบา ร, รมีเพื่อช่วยสัตว์โลกต่อไปอีกจนกว่าจะมีความสมบูรณ์ถึงขั้นที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ จ, จึงจะตัดสินใจไปนิพพานไม่คิดกลับมาเกิดอีก สำหรับบุคคลประเภทหลังนี้จะมีคติรรมประจำตัวอยู่เสมอว่าเมื่อมีความจำเป็นตนเองก็ยินดีที่จะตกนรกเพื่อจะให้คนทั้งหลายได้ไปสวรรค์หรือเพื่อให้คนทั้งหลายพ้นทุกข์หรือเพื่อปราบอาธรรมให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานจะเป็นนักการเมืองไม่ได้ เพราะถึงอย่างไรคนที่มีคุณธรรมอยู่ในใจถึงขั้นที่อาจจะบรรลุถึงนิพพานได้นั้นย่อมเป็นนักปกครองที่ดีกว่าคนที่ไม่มีคุณธรรมหรือมีแต่ก็น้อยเกินไปท่านเชื่อหรือไม่ว่าถ้าในอดีตนักการเมืองทั้งหลายเป็นนักธรรมด้วยบ้านเมืองของเราก็คงจะดีกว่านี้มากมายมานานแล้ว ตอนที่หกผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานจะเล่นการเมืองได้หรือไม่หลังจากที่ขระพเจ้าได้เขียนเรื่องพระโสดาบันปกครองบ้านเมืองได้หรือไม่ซึ่งเป็นการตอบข้อข้องใจที่คุณหมอพักดีลิมสวรรค์ได้ถามมาแล้วต่อมาอีกไม่นานคุณหมอพักดีก็ได้เขียนจดหมายถามมาอีกว่าสำหรับผู้ที่เป็นภรรยาบุคคลแล้ว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 การที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นคุณหมอพักดีเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะได้ยินหม่อมราชวงศ์คึกฤทิปราโมชพูดทางทีวีในรายการพบกับประชาชนในคืนวันที่ได้เคยอ้างมาแล้วว่าในรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างใหม่นี้แม่อนุญาตให้พระพิสูจส์ส์ในพระพุทธศาสนาเลือกตั้งได้ด้วยเหตุผลว่าภิสูจน์ลังทำนิพพาน ก็ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปลาโมดยังได้สรุปอีกว่าคนที่เล่นการเมืองทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้แล้วยกอาจารย์สัญญาธรรมศักเป็นตัวอย่างการตอบปัญหาครั้งก่อนคุณหมอพักดีว่ายังไม่ถูกประเด็นนักจึงอยากให้ตอบอีกตามประเด็นของปัญหาที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงตอบมาอีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุนิพพานไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์จริงๆตามหลักอรยิยมรคมีองค์แปดแล้วไม่มีทางบรรลุได้เลยไม่ว่าในกรณีใดๆนี่คือหลักตายตัวแต่ก็ควรจะทราบไว้ด้วยว่าเคยมีตัวอย่างมากมายที่บุคคลบางคน กลิ่นเล่ายัางไม่ทันจะหมดไปจากปากแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วได้บรรลุมรรคผลก็มีเช่นสันติมหามาตและสหายของนามวิสาขาเป็นต้นหรือบางคนทั้งที่ได้ทำบาปมาแล้วอย่างมากและก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเลิกยังกำลังจะทำอยู่แต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้ว ก็ทำให้เลิกจากการทำบาปได้อย่างเด็ดขาดและต่อมาก็ได้บรรลุมรรคผลก็มีเช่นพระองคุริมาลและโจรที่คิดจะฆ่าสังกิษ จ, จา่าสัมมเดณซึ่งเป็นพระอรหันต์แต่พยายามฆ่ายอย่างไรก็ฆ่าไม่ได้ในที่สุดเลยทิ้งดาบกลับใจขอบวชและต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตัวอย่างเช่นนี้มีอยู่มากมาย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 ให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างเคร่งครัดเสียเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีทางบรรลุได้เลยเมื่อไรจิตใจจะเรียกว่าถึงขั้นปัญหาอันนี้จะยังไม่ขอพูดเพราะเป็นเรื่องละเอียดมากแต่ใครจะชี้ให้เห็นความจริงอีกแง่หนึง่งซึ่งคนส่วนมากมักจะมองไม่เห็นกล่าวคือการทําความชั่วหรือการกระทําความผิดใดๆก็ตาม นั่นก็คือทางที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันทางนี้เพราะอะไรเพราะคนที่จะรู้ซึ่งว่าความชั่วเป็นสิ่งไม่ดีจะกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายตั้งใจจะเลิกจริงๆนั้นก็ต่อเมื่อผู้นั้นจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องชั่วมาอย่างมากหรือได้เคยเห็นตัวอย่างได้ตนเองอย่างแจ่มแจ้งมาแล้วจนกระทั่งไม่มีความกดดัน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 แต่ก็ไม่อาจจะบรรลุมรคผลได้ทั้งทั้งที่ควรจะบรรลุได้นั้นเป็นเพราะยังมีความกดดันในบางสิ่งบางอย่างอยู่คนประเภทนี้เมื่อมีโอกาสได้สนองความต้องการจนถึงจุดอิ่มตัวของมันแล้วการบรรลุมรคผลก็จะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเขานี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคน ทั้งที่กลิ่นเล่ายังไม่หมดไปจากปากหรือมือยังไม่ทันหมดจากกลิ่นคาวเลือดแต่แล้วก็บรรลุมรักผลได้ถ้าหากเข้าใจเหตุผลในเรื่องนี้แจ่มแจ้งจริงจริงก็จะไม่สงสัยอีกต่อไปว่าคนที่ปฏิบัติทำเพื่อนิพานจะเล่นการเมืองได้หรือไม่หรือพูดอีกนายหนึ่งคนที่ยังต้องทำความชั่วหรือยังต้องผิดศีล ข, ข้อนั้นข้อนี้อยู่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 ในบรรดาบุคคลที่สาเร็จมรรคผลนิพพานนั้นเมื่อก่อนก็ล้วนแต่เคยทำผิดมาด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจะต้องมากระเกณไม่ให้นักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมิให้ปฏิบัติธรรมเพื่อ น, นิพพานเล่าเพราะถ้าจะบังคับกันเช่นนี้แล้วก็แปลว่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ก่อนแล้ว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 จนกว่าบรารมีจะสมบูรณ์คือถึงขั้นที่จะบรรลุนิพพานได้ซึ่งมาถึงขั้นนี้แล้วใครๆหรือเหตุการณ์ใดๆก็ไม่อาจจะยับยั้งเขาไว้ได้การดํารงชีวิตอย่างคารวะซึ่งบางตอนก็บริสุทธิ์ดีแต่บางตอนก็ไม่บริสุทธิ์นั้นถ้าหากมีความตั้งใจจะบรรลุนิพพานและพยายามทําความดีอยู่เสมอสักวันหนึ่ง จิตใจก็จะสมบูรณ์ถึงขั้นที่จะบรรลุได้เองถ้าหากเราไปคิดตัดเสียตั้งแต่แรกว่าคนไหนถ้าเล่นการเมืองก็ไม่ควรจะปฏิบัติธรรมเพื่อ น, นิพพานถ้าใครๆพากันคิดเช่นนี้ก็เห็นทีจะไม่มีนักการเมืองที่มีธรรมะอย่างแน่นอนและถ้านักการเมืองมีธรรมะไม่พอบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ข้อนี้เราเห็นตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอจะได้คิดแบบนี้กันอีกเลยเพราะถึงอย่างไรนักการเมืองที่มีธรรมะอยู่บ้างนั้นก็ยังดีกว่านักการเมืองที่ไม่สนใจต่อธรรมะซะเลย ตอนที่เจ็ดพื้นฐานของผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันคนที่จิตใจยังเจริญไม่ถึงขั้นถึงแม้ว่าตนเองจะพยายามปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างเคร่งครัดสักเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีทางบรรลุมรคผลนิพพานได้เลยนี่คือข้อความตอนหนึ่งที่กะเจ้าได้เขียนไว้ในตอนที่หกและได้ตั้งปัญหาถามไว้ว่า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 พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงเรื่องนี้เอาไว้อย่างดีแล้วแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะได้พิจารณาถึงเนื้อหาโดยละเอียดฉะนั้นจึงไม่ค่อยจะทราบถึงความหมายที่ลึกซึ้งและไม่รู้ว่าจากเรื่องสังคคุณนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงถึงวิธีการในการพัฒนาสังคมไว้อย่างดีที่สุดเพราหลักการศึกษาก็ดีหลักการปกครองก็ดี หลักการเศรษฐกิจก็ดีถ้าได้พัฒนาโดยยึดถือหลักในเรื่องสังคุณเป็นแนวทางแล้วรับรองได้ว่าบ้านเมืองจะต้องเจริญถึงขั้นที่เรียกว่าอยู่ในยุค ข, ของพระศรีอานทีเดียวในบทสวดมนต์เรื่องสังคุณนี้มีข้อความดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ มูแห ok <my note> ่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคมูแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคมูแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น สามีจิปฏิปันโนภขวะโตสาวกสังโฆมูแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรยะที่ทางสาวกที่ว่านี้คืออะไรจัตตาริปุริสยุขานิอัฏถะปุริสปุคลาเอสพภขวะโตสาวกสังโฆคือบุคคลสีค่คู่หรือบุคคลแปดประเภท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 ยะที่ทางซึ่งแปลว่าสาวกที่ว่านี้คือใครและแล้วก็มีคำตอบต่อมาว่าจัตตาริปุริสยุคานี้อัฏฐปุริสปุคลาซึ่งแปลว่าได้แก่บุคลคลสี่คู่หรือบุคคล8ปดประเภทอันหนึ่งเมื่อพูดถึงสาวกก็ขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าไม่ใช่หมายเฉพาะแต่สาวกที่เป็นนักบวชเท่านั้น เพราะคารวาที่เป็นพริรยาบุคคลก็มีเพราะฉะนั้นในคำพีจึงได้แบ่งสาวกไว้สี่ประเภทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาโดยในยะนี้คําว่าหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงหมายถึงสาวกที่เป็นพระยาบุคคลทั้งสี่ประเภทส่วนพระสงฆ์หรือนักบวชประเภทใดก็ตาม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 สุปฏิปันโนซึ่งแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีนั้นพระพุทธโคสาจารย์ได้อธิบายไว้ในคำพีวิสุทธิมัรคว่าที่ว่าปฏิบัติดีนั้นหมายความว่าปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัติคืออยู่ในทางที่จะนำไปสู่นิพพานและไม่ปฏิบัติถอยหลังไม่ปฏิบัติเป็นฆ่าศึกต่อธรรมวินยัยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม อีกในยะหนึ่งท่านอธิบายว่าที่ว่าปฏิบัติดี น, นั้นหมายถึงปฏิบัติไปตามธรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ไม่ปฏิบัติให้ผิดไปจากธรรมวินยัยเรื่องมรคแปดเป็นเรื่องที่มีความหมายละเอียดลึกซึ้งมากในที่นี้จะอธิบายแต่เพียงบางแง่เพื่อเป็นข้อสังเกตเท่านั้นเช่นที่ว่า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 และเป็นผู้มีสัมมาสมาธิก็คือเป็นผู้ที่สามารถเข้าสมาธิได้เสมออย่างน้อยก็ในขั้นผุมฌานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าที่ว่าภระญาบุคคลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีอยู่เสมอนานมีความหมายที่ลึกซึ้งเพียงไรและคนที่มีคุณลักษณะเช่นนี้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 คนทั้งหลายไม่รู้ว่าผู้ที่จะก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นภระยาบุคคลนั้นจะต้องมีพื้นฐานอย่างไรมาก่อนอันนี้นักศึกษาส่วนมากไม่ทราบเลยเพระาะถ้าทราบแล้วก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิธีการแก้ไขปัญหาสังคมที่ได้ผลจริงๆนั้นจะต้องทำอย่างไรการทำอะไรก็ตาม โดยปกติเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งถึงแม้เราจะทำไม่ได้ตามนั้นก็ทำได้เพียงสองในสามหรือสักครึ่งหนึ่งก็ดีแล้วในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนแคร่งในทางาศาสนาจะปกครองบ้านเมืองหรือพัฒนาเศรษ ฐ, ฐกิจไม่ได้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 เมตตาอุเบกขาคุณธรรมทั้งสิบนี้จะต้องฝึกฝนอบรมอย่างมากไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางบารรลุมรรคผลนิพพานได้เลยและคำว่าจิตใจจะต้องเจริญถึงขั้นจะบรรลุมรรคผลได้นั้นในความหมายที่แท้จริงก็คือจะต้องมีคุณธรรมทั้งสิบอย่างนี้บริบูรณ์อันหนึ่งในบรรดาคุณธรรมต่างๆที่จะต้องฝึกอยู่เสมอ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 และคนเราว่าจะก้าวขึ้นมาสูงถึงขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลานับเป็นร้อยร้อยพันพันชาติไม่ใช่ชาติเดียวเพราะฉะนั้นโดยธรรมดาคนที่เคร่งธรรมเมื่อตัวเองต้องอยู่ในสังคมต้องรับผิดชอบต่อสังคมและต่อบ้านเมืองเมื่อถึงคราวจําเป็นและมีเหตุผลเขาเองก็อาจจะฆ่าคนฆ่าสัตว์หรือสั่งให้ฆ่าก็ได้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 หรืออย่างคนที่ทำการทุจริตกันอย่างทุกวันนี้การทำบาปไม่ว่าในกรณีใดใดถ้าหากผู้นั้นพื้นเดิมเป็นคนยึดมั่นในทางาศาสนาและเลื่อมใสในทางาศาสนาอย่างจริงใจการทำบาปของคนประเภทนี้จะมีเหตุผลเสมอและเป็นความจำเป็นซึ่งจะไม่ทำไม่ได้และโอกาสที่จะทำอะไรเกินพอดีก็จะมีน้อย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 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มองไม่เห็นคุณค่าของศาสนาก็เป็นเพราะเขารู้ศาสนาเพียงแค่ประเพณีหรือรู้ตามความเชื่อถือที่สืบต่อต่อกันมาโดยพิสูจน์อะไรไม่ได้หรือไม่เช่นนั้นก็ไปมองเห็นผู้ที่เคร่งครัดในทางศาสนาจริงๆนั้นว่าทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะอยู่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้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 การปฏิบัติตามหลักในทางศาสนาจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบ้านเมืองแต่อย่างใดคนในกลุ่มของชาวพุทธย่อมจะทำงานหรือประกอบอาชีพเช่นขุดบ่อเลี้ยงปลาตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นนักรบนักการเมืองนักธุรกิจนักการค้าได้ทุกอย่างโดยที่สุดแม้ว่าจะไปเป็นโจร แต่ถ้าเขานับถือศาสนาด้วยการเป็นโจร เ, เขาจะไม่ร้ายกาศเยี่ยงโจรที่ไม่นับถือศาสนาแน่นอนด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงของแนะนำให้รีบนำหลักทางศาสนามาแก้ไขบ้านเมืองและให้รีบทำอย่างด่วนที่สุดด้วยไม่เช่นนั้นแล้วทุกอย่างก็จะสายเกินไปแก้ไขอะไรไม่ได้ที่จบลงไปนั้น คือรายการเสียงธรรมเรื่องพระริยะบุคคลจากผลงานเขียนของอาจารย์พรรัตนาสุวรรณและจัดพิมพ์โดยสำนักคนคว้าทางวิญญาณ